การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางประโยชน์สําคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกาทปประโยชน์การงานทุกชนิดที่ทํำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสําเร็จตรงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทําก็ไม่ทําแบบขอไปทีแต่ทําด้วยความไข้ครวนและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสําเร็จลงไปแล้ว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 เด็กเดียวอาจทันว่าแทบจะพูดได้ว่าไม่มีท่านผู้ใดบรรดาลูกศิษย์ที่เคยพึ่งร่มเงาแห่งบารมีท่านมาจะสามารถปฏิบัติเด็กเดียวต่อธุดงควตรและจะริยธรรมทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอเหมือนท่านสำหรับองค์ท่านทั้งข้อปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจนะว่าเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันอยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้แถบจังหวัดอุดรและหนองคายตามในปา่าชายเขาและบนเขา ที่ท่านพักอยู่ท่านล่าว่าพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเป็นคราวๆครึคร่งเดือนบ้านหนึ่งเดือนบ้านมาอาหนหนึ่งไม่บ่อยนักเหมือนจังหวัดเชียงใหม่แต่จะเขียนต่อเมื่อประวัติท่านดำเนินไปถึงระยะนี้ขอดำเนินเรื่องไปตามลำดับเพื่อไม่ให้เศร้ายกันท่านเคยไปพักบําเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกเมืองหลวงพระบางนานพอสมควร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 กลายเป็นกงจากไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือต้นเหตุสำคัญที่ฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นพอได้สติรั้งกลับมาได้ตกตอนเย็นมาก็โดนเทแล้วพยายามทาความสารวมต่อไปพอวาระต่อไปก็ออกไปเจอเอาของดีเขาอีกทำให้แผลกาเริบคนอีกขากลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนาดเด็ดๆใส่แผลเขาอีกคือโดนเทนั่นเอง